เรื่องนาหวานหนึ่งเรื่องสองสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งหวานนาแล้วเดินมาพิกษสูรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงเธอหวานเสร็จแล้วหรือแต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่าใช่เจ้าคะ่ะเพราะคุณเจ้าหวานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ไถ่กลบท่านเกิดความกังวลใจว่า